ก็เข้าใจที่หลวงพ่อบอกนะาเราไปทำนะในเวลาไม่นานหรอกเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วจะเห็นขันมันแยกได้ใจกับใจแยกออกจากกันต่างคนต่างทำงานเห็นความรู้สึกต่างๆกับจิตใจก็แยกออกจากกันต่างคนต่างทำงานศีลมันจะดีขึ้นสมาธิก็จะดีขึ้นปัญญาคือความเข้าใจ ก็จะเกิดขึ้นถ้าได้หลักอันนี้นะศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยงอกงามไพ่บุญถึงจหนึ่ ง, งมรรคผลไม่จะเกิดขึ้นไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลได้หรอกจิตบรรลุเองนี่อยู่ๆก็ไม่บรรลุอีกละต้องทำเหตุให้จิตมีศีลสมาธิปัญญาที่ถูกต้อง ให้ดีขึ้นดีขึ้นก็มีสติรู้สึกตัวเรื่อยๆขาดสติตัวเดียวแล้วศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยมีสติคอยรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้ทันล้วเป็นแค่คนดูเป็นแค่คนรู้จะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้านะ ถ้าทำถูกจะให้ผลเร็วผลยังไงเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเคยทำผิดศีลหน้าตาเฉยนะต่อไปนี้เวลาจะผิดศีลเนี่ยมันละอายใจมันทำไม่ค่อยได้เคยฟุ้งทั้งวันไม่เคยรู้สึกตัวเลยก็รู้สึกตัวเป็นจิตใจอยู่กันเน้อก็ตัวมีสมาธิที่ถูกต้องไม่เคยเห็นความจริงเลยว่าตัวเราแยกเป็นส่วนๆได้ ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความจําอยู่ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่เคยเห็นเลยว่าแต่ละส่วนนั้นนะด้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่เคยเห็นนะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ต่อไปก็จะได้รู้ได้เห็นของที่ประณีตขึ้นไปบางคนอาจจะได้เห็นจิตรวมลงไปนะ โลกธาตุดับไม่มีโลกเลยไม่มีร่างกายไม่มีอะไรสักอย่างเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวรู้สึกตัวอยู่อันเดียวจ้เห็นสิ่งที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่นะถูกแหวกออกไปแสงสว่างก็เกิดขึ้นภายในตรงที่จิตจะเข้าถึงธรรมะในธรรมจักเนะี่ยท่านใช้คำว่าจักขุงอุทธปาธิดวงตาเกิดขึ้นแล้ว ดวงตานี่เป็นดวงตาภายในเห็นอะไรเห็นสภาวธรรมเห็นไตรลักษณ์ของแสดงตัวอยู่เห็นไตรลักษณ์เห็นสภาวธรรมทั้งหลายที่จริงก็คือดวงตาเนี้ยไม่ใช่ตาเนื้อเป็นตาของจิตเห็นอะไรเห็นสภาวะธรรมแต่เดิมเราไม่เห็นสภาวธรรมนะเราเห็นแต่สิ่งที่สมมติบัญญัติ เช่นเราเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นเด็กเห็นคนแก่เห็นคนชื่อนี้ชื่อนี้เห็นต้นไม้ชนิดนี้เราเห็นอย่างนั้นพอเห็นสภาวธรรมเนี่ยไม่ใช่เห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขาอีกแะ้วเห็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยตาตาภายในเห็นรูปธรรมนามธรรมอย่างเดิมเห็นผมเนี่ยผมเป็นผมจริง พอมีตาภายในจะรู้เลยมันก็แค่ธาตุเท่านั้นเองเป็นแค่ธาตุเท่านั้นเองมันรู้ด้วยใจเมื่อจากคุ่อุตตปาทิมีดวงตาเกิดขึ้นแล้วคือนะเห็นสภาวธรรมญาณอุตตปาทิมียานอย่างรู้เกิดขึ้นยานอย่างรู้อย่างรู้อะไรก็อย่างรู้ว่าสภาวธรรมทั้งหลายมีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไป มีปัญญาบุทธปาทิปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเห็นอะไรเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มีวิชาวุตตปาทิเกิดวิชาขึ้นมาทำลายอาวิชาไปเบื้องต้นทำลายได้นิดหน่อยนะเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีเรารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่ใช่เรานะในเบื้องปลายจะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่นะันคือตัวทุกข์ เร่รู้ถูกแจ่มแจ้งวิชาและทำลายวิช า, าวิชาคือความไม่รู้อริยสัยนะ์ตัวสุดท้ายก็คืออาโลกโกุธทธปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นนะไม่ใช่คำเปรียบเทียมสว่างจริงๆแสงสว่างตรงนี้นะสว่างในขณะที่บรรลุอริยผลเนะี่ยสว่างกว่าแสงพระอาทิตย์พระจันทร์อีกพอเวลาบรรลุ อริยมรรยาผลนะบางทีโลกธาตุดับไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีหลอดไฟไม่มีอะไรเลยแต่แสงสว่างอันนี้ยังปรากฏอยู่ในจิตนะสว่างสวัยไม่มีขอบเขตแสงอันนี้แหละแผ่ซ่านออกไปในจักรวาลทั้งหลายพวกเทพทั้งหลายพวกฟลหมทั้งหลายเห็นตอนที่พระเจ้าบรรลุ เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแสงอันนี้รุนแรงมากเลยส่องลงไปถึงในนรกนะลงไปถึงในนรกได้เลยพระรัศมีของพระจิตอันนี้สว่างออกไปถึงนรกไฟนรกดับลงในขณะนั้นเลยกระทั่งนรกอเวจี v G, ที่ไฟนรกไม่เคยดับเลยอเวจี A v G คือไม่มีช่องว่างเลยนะไม่มีเวลาที่จะพ้นจากความทุกข์เลยในขณะนั้นดับลง ของสาวกเนี่ยไม่มีในตํารายืนยันนะว่าลงไปถึงนรกแต่พวกเทพพวกพรหมเน่เห็นตอนที่ควรธัญะญบรรลุพระโสดามีจัดขงอุทธปาธิมีดวงตาเห็นสภาวะธรรมมีญาณอุทธปาธิอย่างรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมมีปัญญาอุทธปาธิ เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมมีวิชาอุทธปาธิรู้แจ้งในกองทุกข์แล้วเบื้องต้นเห็นแล้วตัวเราไม่มีมีอาโร โ, โกรธปาธิแสงสว่างนี้เกิดขึ้นพวกเทวดาเนี่ยมานั่งฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักแสดงให้มนุษย์ห้าคนฟังนะนเทวดาเนี่ยฟังนับไม่ถ้วนเลยมาแน่นเลยฟังปฐมเทศนา พอพระโกลทัญญาเปล่งรัศมีออกมาได้นะ <c oughs> เฮเลยนะ <c oughs> โโลกทาตสะเทือนเลยนะตะโกนบอกต่อต่อต่อต่อกัออนไปนะถึงไปพรหมโลกถึงพรหมสุดถาวาสเลยขึ้นไปนอนงเลยพวกรูปประพรมเลยต่อไลยรู้หมดดีใจว่าพระศาสนาหยั่งลงแล้วพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ปัจเจ ก, กพรุทธเจ้าแะเป็นสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าแะ สอนสาวกสำเร็จแล้วสิ่งเหล่านี้มีจริงจไม่ใช่พูดเล่นเล่นภาวนาให้จริงเลยแล้วก็จะได้รู้ด้วยตัวเองดูซิแสงสว่างมันจะมีไม่มีสว่างครอบโลกเลยโลกนี้บางทีดับไปหมดแล้วเวลาบนรู้ธรรมนะโสดาสกัาคานาคาพระอรหันต์เนี่ยจิตจะเข้าชานอัตโนมัติ ถ้าข้าวชานตื้นต้นอยู่ยังมีร่างกายอยู่เข้าวชานลึกลงไปในโลกทั้งโลกก็หายไปหมดเลยนะแต่ว่าไม่ขาดสติเลยนะชานตัวนี้เป็นลักขณูปณิชานเนชานที่หลวงพ่อจำจี้จำไฉ่พวกเราเนี่แหละการลักขณูปณิชานเนี่ยเป็นของดีของพิเศษมากนะถ้าเราฝึกเจอทั้งจิตมันเป็นคนดูได้เนี่ยเราเจริญวิปัสสนาได้เราเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ ในขณะบรรลุมรผลเนี่ยจิตจะรวมเข้าลักขณูปนิชานไม่รวมในอารามณูปนิชานรวมเข้าถึงฐานของจิตไม่ใช่รวมกับอารมณ์จิตรวมลงที่จิตเลยนะศีล ส, สมาธิปัญญาและคุณงามความดีทุกๆประการที่สะสมมารวมลงที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันเลยเกิดเป็นพลังงานที่มหาศาลลงไปฆ่ากิเลสในจิตใต้สานึกตายค่อยเรียนไปนะ ต้องภาวนาทุกวันทุกวันนะแสงสว่างก็งเกิดขึ้นแสงสว่างเคยได้ยินไหมพระเจ้าบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีตัวนั้นเป็นโล ก, กุตระปัญญาโล ก, กุตรปัญญาตัวนั้นแจมแจ้งอะไรแจ้งพนนันะิพาณเห็นพันิพานไม่ใช่ปัญญาเห็นรูปนาม ไม่ใช่เห็นใจรากใจเลิกแลยสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ไม่มีเทวดาก็มีพรหมก็มีนี่มนุษย์รุ่นเราเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเราเชื่อสิ่งที่รู้ที่เห็นของที่เราไม่เห็นมีตั้งเยอะแยะบางคนเป็นมะเร็งอยู่ยังไม่รู้เลยไม่เห็นจะบอกว่าไม่มีไม่ได้ตอนนี้มีดาวไหมตอนนี้มีดาวเห็นไหม เห็นแต่ดาวอยู่ไหมดาวยังอยู่หรือดาวหนีไปอยู่ซีกโลกที่มืด <c oughs> <c oughs> ดาวอยู่ตรงนี้อยู่เต็มหัวเรานี่ไม่เห็นเรื่องของที่ไม่เห็นอย่านึกว่าไม่มีนะ <c oughs> ส่วนของที่มีที่เห็นอนะอย่านึกว่ามีนะ <c oughs> ของที่เห็นบางทีก็ของปลอมหลอกๆนั่งสมาธิไปเห็นผีมานั่งด้วยอาจจะจิตหลอนก็ได้ไม่มีจริง ถ้ า, านั่งสมาธิแล้วเห็นผีมานั่งอยู่ด้วยนะก็มีวิธีนะย้อนกลับมาดูจิตนะจิตที่ตกใจย้อนมาดูพอความตกใจดับนะย้อนกลับไปดูผีใหม่ถ้ามันยังนั่งอยู่ก็ตัวจริงนะ่ะถ้าจิตปลุงขึ้นมาเนี่ยพอเราย้อนมาดูที่จิตนะย้อนกลับไปดูจะไม่มีล้วจิตมันไม่ปลุงนถ้ามีแล้วทํำยังไงมีแล้วก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญผีที่มาหาเรานะ มันเป็นญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องเราที่ตกละกรรมลำบากมาขอความช่วยเหลือเราเหมือนเศรษฐีมีบุญเยอะพอเขาญาติพี่น้องลําบากมาพ่อแม่ลําบากมาหาเราก็ไล่เอาไล่เอาน่าสงสารมากเลยผีร้องไห้นะน่าสงสารร้องคร่าครวญเลยไปที่ไหนเขาก็ไล่อยากได้บุญน่าสงสารถ้าเห็นเราจะไม่เกลียดนะ เห็นแล้วไม่กลั ว, ลวเราเห็นแล้วสงสารใจของเราจะค่อยๆเต็มไปด้วยเมตตานะเมตตาต่อคนด้วยกันต่อสัตว์ด้วยกันสัตว์ที่มีเนื้อหนังมังสาสัตว์ที่ไม่มีตัวมีตนเลยนะใจมันจะเมตตาไปหมดนะ ใ, นใจที่มันมีศีลมีธรรมนะมันเต็มไปด้วยความเมตตากรุณานะมันไม่เห็นเกตตัว ฝึกนะจะได้ความร่มเย็ยนเป็นสุขมากขึ้นมากขึ้นได้เป็นที่พึ่งของคนรอบรอบตัวเราด้วยของญาติมิตรที่ร่วงรับไปแล้วด้วยนะอย่างบางคนมีความทุกข์มากนะไปฆ่าตัวตายไม่พ้นนะไม่พ้นเลยมีพระองค์หนึ่งท่านเคยเห็นตอนท่านยังเป็นโยมอยู่นอนอยู่ในบ้าน บ้านเป็นแาวเฮาตีหนึ่งตีสองนะได้ยินเสียงผู้หญิงเดินร้องไห้ผ่านหน้าบ้านไปท่านก็ไม่ได้ลุกขึ้นไปดูหรอกก็ดูด้วยใจใครว่ามาเดินหน้าบ้านเห็นผู้หญิงที่อยู่บ้านถัดไปสามสี่ห้องนะเดินร้องไห้ยอยู่แต่คุณเธอเดินแปลกมากเลยนะขาเธอไม่ติดฝืนหรอกพลพื้นไปแค่เนี้ยพวกเราลองฝึกไหม เดินเหนือพื้นใีกคืบหนึ่งนะง้นคนโบราณนะเวลาเจอใครสักคนอยากดูว่าเป็นผีหรือเปล่าก็จะดูขายุคนี้อย่าไปดูอย่างนั้นนะเรามองขามันปุ้มเตะเอาเลยะว่าดูถูกเดินร้องไห้ไปบอกอ้าวเป็นไรตายซะแล้วร้องไห้แบบไม่หันหลังกลับเลยตอนเช้า สายสายชาวบ้านเอกะคนนี้ผูกขอตายไปละวที่ผูกคอตายเพราอไปซื้อบ้านแถวานี่แหละมาซื้อหมดเลยมีเงินแล้วทุ่มมาซื้อหมดส่งไม่ทันสามีก็โกรธว่าเอาเงินเก็บมาซื้อบ้านแล้วจะถูกเขายึดแล้วสามีเลยทิ้งไปเลยเหลือตัวคนเดียวนะเหลือตัวคนเดียวบ้านก็จะถูกยึดอะไรอะไรก็ไม่มีเหลือเลย กระทั่งสา ม, มีมันก็ทิ้งไปแล้วเลยปลุกขอตายหวังว่าจะพ้นทุกข์นะไม่พ้นหรอกมันทุกข์นานกว่าเก่าอีกเป็นคนมันจะทุกข์นานสะแค่ไหนนะผีอายุยืนนะมันมีกายละเอียดกว่าคนนะงันทุกข์แค่ไหนก็ไม่ฆ่าตัวตายนะไม่ได้หายทุกข์หรอกยิ่งทุกข์นานกว่าเก่าอีกต้องสู้เอาชีวิตนะพยายามอดทนนะต่อสู้ฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่าไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นแหละจะลำบากแค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะอย่าผิดศีลธรรมวันข้างหน้าเราต้องดีกว่านี้แน่นอนอาจจะไม่รวยเท่าคนอื่นนะแต่เราจะมีความสุขไม่มีความดังอย่างคนอื่นเขาแต่เรามีความสุขคนมีศีลมีธรรมเข้ามาสู่จิตใจจะมีความสุขมหาศาลเลยมีข้าวกินก็มีความสุขนะไม่มีข้าวกินใจยังมีความสุขเลย ร่างกายแก่ใจก็ยังมีความสุขร่างกายเจ็บใจก็สุขร่างกายจะตายใจก็มีความสุขยิ่งพระใกล้ตายนะถ้าพระพาวาเป็นนะถ้าเราสังเกตจะง่ายมากเลยท่านจะผ่องใสสุดๆเลยนะพวกเราคนในรักษาศีลห้าได้ได้ได้แบบดีแล้วแบบตัวเองก็ติตัวเองไม่ได้แล้วยกเหมือศีลนี่ยมนุษย์สมบูรณ์ละนะศีลอย่างก็พร่องก็แป้งอยู่ ยศีลยังไม่ค่อยสมบูรณ์ค่อยฝึกไปสิ่งที่หลวงพ่อเทศให้ฟังนะฟังครั้งเดียวยากคนไทยเรามีซีดีมีอะไรต่ออะไรฟังเยอะแยะไปฟังเอานะซ้าแล้วซ้าอีกฟังแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องหาเรื่องไปปฏิบัติที่โน่นที่นี่ยุ่งยา ก, กว่าเราไปดีไม่ดีเสียสี่งนะพาเราเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ ส่วนใหญ่ที่เขาสอนกันเขาจะสอนรูปแบบของการปฏิบัติให้เดินอย่างนี้ให้นั่งอย่างนี้หายใจอย่างนี้ให้บริกรรมอย่างนี้ส่วนแก่นของการปฏิบัตินะี่ยคือสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะแล้วเราไปดูว่าเปลือกชนิดไหนเหมาะกับเราจะทําสมถนะเนี่ยทำแบบไหนนะเป็นอารมณ์ที่มีความสุขไม่ย่อกิีเดเนะีเป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเราไปดูของเราเองแต่ละคนไม่เหมือนกัน จะทำมิปั ส, สนาเราควรจะใช้ฐานไหนเป็นหลักดูกายเป็นฐานก่อนเห็นใจเป็นคนดูนีสุดท้ายรู้ทั้งกายทั้งใจเนี่จะดูเวทนาดูเวทนาก็จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งก็นะเห็นทั้งรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราอีกดูจิตนะก็จะเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบอารมณ์หรือเพราะใจมันคิดสุดท้ายรู้ทั้งกายทั้งใจนะ แต่เอาอะไรเป็นตัวตั้งก่อนเท่านั้นเองพอชำนาญในการเจริญวิปัสสนาแล้วไม่มีสายกายสายจิตอีกต่อไปแล้วบางครั้งสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายบางครั้งสติระลึกรู้เวทนาความสุขทุกข์ก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาบางครั้งสติระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตที่เป็นกุศลอกุศลบางครั้งสติระลึกรู้รูปธรรมเห็นรูปธรรมเป็นไตรลักษณ์ ไม่ใช่ตัวตนสติะระลึกรู้นามธรรมก็เห็นนามธรรมาเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวใช่ตนนะอะไรก็ได้นะมันเห็นนั่นเดียวกันเห็นไตรลักษณนะ์ยัมีปรนะัชนาเห็นไตรลักษณ์ไม่มีสายไหนสายไหนหรอกสายไหนสายไหนมปนขั้นต้นของการฝึกเท่านั้นเองงั้นี้ไม่ต้องนั่งเถียงว่าอันไหนดีกว่าอันไหนหลวงพ่อภาวนานไม่ได้เริ่มจากกายนะเป็นคนที่ประหลาดเลย เพราะในยุคคนร่วมสมัยหลวงพ่อเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนะไปที่ไหนมีแต่กายทั้งนั้นเลยมีหลวงปู่ดูลนะมาสอนให้หลวงพ่อดูจิตนะเพราะว่าท่านพิจารณาแล้วท่านสอนให้ดูจิตส่วนที่อื่นนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายสอนดูกายส่วนใหญ่สายกายทั้งนั้นเลยอย่างขยับนี่ก็กายใช่มพองยุบก็กายสายวัดปากก็พิพจารณากายมีแต่เรื่องกายท่านั้นเลย นี่หลวงพ่อหัดดูจิตนะเสร็จแล้วลเวลาเกิดความรู้ความเข้าใจเข้าใจทั้งกายทั้งใจเข้าใจอันเดียวกันเจอครูบาอาจารย์ไม่มีองค์ไหนบอกหลวงพ่อทําผิดส้วงเลยนะว่าทําถูกแล้วแต่ว่าต่อยอดให้มีถ้าพลาดก็พลาดในรายละเอียดทนะ่านไม่ได้บอกว่าดูจิตไม่ได้นะไม่ได้บอกงั้นเลยมีแต่บอกว่าดูไม่ถึงจิตต่างหากเนี่ยยังมีข่าวนึงสมาธิไม่พอจิตไม่ถึงฐาน ดูจิตอยู่ตั้งปีสว่างสบายมีแต่ความสุขสงสัยว่าทาไมมันคงที่อยู่อางนี้ถามเจอหลวงตามหาบัวถามท่านนะท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตดูไม่ถึงจิตแล้วล่ะเห็นไหมท่านไม่ได้ว่าดูจิตผิดนะท่านว่าดูไม่ถึงจิตต่างหากนะนั่นครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเข้าใจแจ่มแจ้งนะเหมือนท่านขึ้นยอดเขาได้นะท่านจะรู้เลยว่าทางขึ้นเขาเนะี่ยรอบทิศทางนะไม่ใช่มีทางเดียว เอาส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อนครับกาบนมำสการหลวงพ่อครับก็ละอายครับือปฏิบัติไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ปฏิบัติครับก<ะ>็หน้าละอาย <c oughs> <c oughs> ปฏิบัติไม่ดีนะไม่เป็นไรหน้าแต่ไม่ปฏิบัติไม่ดีนะ <c oughs> ต่อสู้นะครับชีวิตตำรวจต้องสู้มากเลยชีวิตครับ ไม่ใช่สู้กับผู้ร้ายอย่างเดียวแต่ไปต้องสู้กับการเมืองด้วยค่ายไหนค่ายไหนยุ่งลำบากมากเลยเราพอวนาได้หลักของใจนะดีกว่าเป็นพลตำรวจเอกซะอีกถ้าได้ธรรมะนะพระพุทธเจ้าท่านบอกถ้าได้โสดาบันโสดาปฏิผล น, นะโสดาปฏิมรตโสดาปติผลมันนะมีค่ามากกว่าเป็นจักรพรรดิซะอีก อย่าว่าแต่เป็นพบปตรทเลยสาวนานะคพักเขียนเขากราบนมัสการหลวงพ่อครับอรู้สึกมีความสุขมากขึ้นครับมีความสุขนะสุขไม่เที่ยงหดอกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอาสุขนะครับแล้วก็เห็นเนื้ความสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับในสุดปัญญามแทงตลอดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยเห็นอย่างนั้นถ้าได้ธรรมะ ก็มีสติรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็เออเออไอเหมือนกับมันเวลามองไอตัวเนี้มันมันแปะมันแตกต่างจากเมื่อวานนะคะออดูไปเลยนะม่เป็นเราหรอกมันเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมนะ <c oughs> ดูบ่อยยมีตัวรู้ขึ้นมาก็เห็น ท, าท่าเห็นขันทำงานไป เดี๋ยวตัวรู้ก็ดับไปหลงไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เกิดใหม่ก็ามาดูใหม่หลวงพ่อครับปกติผมจะเดินจงกรมแล้วก็ดูล่างกายเดินเผอิญเมืเอ่อวานหลวงพ่อเทศว่าควรจะฝึกทำ อ, อ, อารามนูวันิชานก็เราลองไปนั่งทำหลวงพ่อหลับทุกงวดหลวงพ่อก็อไปเดินสิห <c oughs> ลวงพ่อไม่ได้ห้ามเดินหน่อย <c oughs> ใช่ครับแล้สุดท้ายในห้องไม่ทราบว่าผู้ปฏิบัติคนก่อนทิ้งเทปเอาไว้ เหมือนกับว่าเป็นสปีกเกอร์แล้วก็มีตัว USB ทิ้งไว้ปรากฏว่านอนฟังที่หลวงพ่อเทศมีความสุขกว่าหลวงพ่ อ, อเลยจะถามหลวงพ่อว่าพอเดินเดินขาเมื่อยแล้วก็มาฟังธรรมะให้มีรู้ทรอย่างนี้ได้ไหมครับหลวงพ่อได้ได้แต่ไม่แนะนำให้นอนนะเพราะตามสถิติเนี่ยการบรรลุธรรมะในอิริยาบถนอนนี่มีน้อยมากเลยครับผมส่วนใหญ่อิริยาบถนั่งอิริยาบถยืนอิริยาบถเดิน นอนน่ะยกเว้นไว้ก็แล้วกันป๊อปมันได้น้อยมีเหมือนกันนะที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังบอกว่าในยุคเราเนี่ยที่ท่านรู้มามีองค์เดียวอยู่ที่สีสเกตแต่ว่าสิ้นไปนานละองค์นี้บรรลุในอิริยาบถนอนแล้วบอกว่าท่านชํานาญในการนอนมากน ะ, จะเจริญปัญญาในอิริยาบถนอนเนี่ยกระทั่งบรรลุไปแล้วนะ ผลถูกคนนอนไปแล้วนะฉันข้าวเสร็จข้าวกุตีนอนแนละ้วไม่มีใครนับถือเลยนะพระองค์นี้ขี้เกียจสุดยอไม่รู้เลยว่าโอ้น่านับถือที่สุดเลยนะงั้นอีเดี ย, ยบทนี้ยกเว้นไว้นะไม่มีใครนับถืออ่าหลวงพ่อบอกว่าให้ดูว่ามันบังคับไม่ได้ครับแล้วก็ให้ดูแบบสบายๆเล่นๆก็ เดี๋ยววันนี้จะออกจากวัดแล้วครับก็เลยจะขอการบ้านเราไปดูสิ่งอื่นแล้วก็บังคับไม่ได้นะอย่างหมาที่บ้านหาเปื่อเราก็บังคับไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมันบังคับไม่ได้ให้รู้ให้เห็นแต่ให้รู้ที่ใจเราใจเราเนี่ยอยากไปบังคับทุกสิ่งทุกอย่างนะอยากแทรกแซงรูปสิ่งทุกอย่างใจเราเลยมีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเมื่อไรใจเราฉลาดนะใจไม่มีความอยากใจอยู่กับตรงไหนนะใจก็มีความสุขตรงนั้นไป ที่ใจไม่มีความสุขนะเพราะมันอยากให้เป็นอย่างอื่นอันนี้ไม่เอาอันนี้จะเอาอันนี้อะไรเงี้ยคอยรู้ทันใจที่อยากเรื่อยๆครับขอบคุณครับยมยมเอ่อรู้ทันตอนจิตมันจงใจดูมากขึ้นนะคะหลวงพ่่ถ <c oughs> ้า่างก็จะทุกน้อยลงค่ <c oughs> นะถ้าจงใจแล้วทุกเยอะ เออแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ยังรู้ทันได้น้อยลงดูบ่อยๆนะเดี๋ยวแรงเพิ่มขึ้นค่ ะ, <น>ะขอบคุณค่ะครับสสอบถามว่าทำไมตัวที่เราสุ่มดูบางครั้งอย่างที่หลวงพ่อพุ่มเมื่อเช้าคือมันไม่เด่นอะไรเป็นเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวอื่นมันเด่นขึ้นมาเราสั่งมันไม่ได้หรอกมันเด่นของมันเอง เราสั่งมันไม่ได้ในขณะนั้นมีเหตุของตัวนั้นเข้มขน้นตัวนั้นก็เด่นขึ้นมาอย่างเรากำลังอารมณ์ดีเนะี่ยอารมณ์ดีมันเด่นอยู่อยู่ดีๆนนะคนมันมาต่าเนี่ย ไ, ได้ผัสสะที่ไม่ดีโทรสาวก็เด่นขึ้นมาแทนอารมณ์ที่ดีก็หายไปนั้นเราเลือกไม่ได้ไม่ต้องไปวิจัยนะว่าทำไมมันเด่นไม่ต้องวิจัยคแค่เข็นว่าทุกตัวที่มาแล้วก็ไปนะัน่นแหละพอแล้วครับผม นมสทางไงของผมช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้มันเหมือนจิตไปเหมือนพัฒนาไม่ได้เลยครับทําไมละ่ะมันเหมือนดูไม่ได้ครับมันำไมทำไมำไ ม, ม, มืดมื ด, ม, ด, ม, ดมั ว, ม, วมัวตลอดเวลาบริกรรมไปสินะสวดมนต์ไปเรื่อยสวดมนต์ในใจอ่นะสวดยาวไม่ชอบกนะ็สวดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยใจมืดก็รู้ว่ามืดใจสว่างก็รู้ว่าสว่างอย่าอยากสว่างนะ เวลามืดเนใจถึงๆเลมืดก็มืดวะหลวงพ่อเคยเป็นนะตอนบวชพรรษาแรกนะพรรษาแรกเลยภาวนาไปวันหนึ่งใจที่เคยแตสว่างมั่วๆไปมัวๆยอมรับไม่ได้แค่มัวหน่อยหนึ่งก็ไม่ไม่ยอมนะในพรรษาที่สองมัวหน่อยยอมไม่ได้ต่อสู้ตะลุดเลยสว่างมันเดียวก็มัวอีกแล้ววันหนึ่งก็มันปิงขึ้นมามัวก็มัวสิปะมันก็สภาวะอันหนึ่ง เราจะเอาสว่างเราไม่เอามัวมันก็ไม่ได้เหมือนกันพอมัวก็มัวสืบว่าตั้งแต่นั้นเลิกมัวเลยเพราะมันหลอกเราไม่ได้แนละ้วเพราะงั้นใจใจมืดๆไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจรั่วมืดอยากให้หายรั่วอยากเนะรู้่อย่างนี้เข้าไปเลยนะเพราะงั้นเราใจเป็นกลางไว้เราเห็นอะไใจไม่ชอบรั่วไม่ชอบนี้เราเดินปัญญา ต, ต่อเลยมัว น, นี้แหละก็เดินปัญญาได้ไม่ต้องสว่างหรอกครับ ใจกล้าๆนะเดี๋ยวแล้วมานจะกลัวเรามานกลัวอะไรรู้ไห ม, มานกลัวตไตรลักษณ์ไม่กลัวอย่างอื่นหรอกเปรตก็กลัวไตรลักษณ์นะอาจารย์อะไรทองรัดมัง้งใช่ไหมที่ท่านไปเจอเปรตนะแล้วท่านไม่รู้จะทํำยังไงพุทโทมันก็ไม่ไปนะท่านโดดออมาไล่เตะเลยไอ้เปรตมึงอ่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเปรตตกใจนะเว้ยเราเป็นอนนี้จังทุกครั้งอนัตตา อยู่ไว้ได้แล้วนะวิ่งหนีไปเลยมันกลัวดูใจรักไปเลยมัธ ก, การณคะ่ะหลวงพ่อหนูจะถามหลวงพ่อว่าเวลาหนูเดินจงกรมอ่ะคือ อ, อยากทราบว่าถ้าสมมุติเรามีปัญหาทางโลกเยอะอย่างเงี้ยเวลาเราเดินจงกรมอ่ะมันก็จะต้องไปคิดเรื่องแบบนี้บ้างใช่ไหมคะหลว ง, <า>งพ่อ ท่านี้หนูอยากจะทราบว่าถ้าหนูเดินธรรมดาเฉยอเงี้ยมีพี่เขาแนะนําว่าหนูจะต้องไปกระตุ้นให้จิตมันเบิกบานให้มันยิ้มให้มันสบายอะไรอย่างเงี้ยหนูทําไม่ได้อะหลวงพ่อหนูคิดว่าหนูมันบังคับไม่ได้อะหลวงพ่อถ้ามันบังคับได้จิตก็เป็นอัตตาสิเนาะแล้วหนูจะทํายังไงอะคะทําไม่ได้ให้รู้อย่าที่เป็นนะไม่ใช่ให้ทํานะหนูก็คิดว่าหนูรู้นะคะแล้วหนูก็ เถียงด้วยในใจอา้าว<ด>ก็มันเป็นอนัตตาอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูไปสิดูโทสะ<า>ดูสิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันอย่างปัจจุบันเนี้จิตเราเจือโทส ะ, ทสะทแลยโทสะพูดขึ้นมาเราก็เห็นนะไม่ได้ ไ, ไล่มันนะค่ะ<า>แค่เห็นมันมาแล้วก็ไปเดี๋ยวตัวดีมาแล้วก็ไปเนี่ยดูทุกอย่างมาแล้วก็ไปฝึกอย่างนี้แหละหนู<ม>เห็นเห็นตัวนี้ด้วยหลวงพ่อหนูเห็นว่าบางทีจิตหนูมันไปคิดไม่ดีอะ่ะแล้วมันก็ โทสะไปโกรธจิตอย่างเงี้ยใช่ใช่นั่นแหละเราไปดูนะเราขี้โมโหโหมโหทุกอย่างที่กวางหน้าเลยใ ช, ใช่ค่ะหลวงพ่อใช่สิไม่หลอกหรอกนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะเหมือนช่วงนี้ดูเราก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ดูไป<า>ดูไปโทสะมันแทรกนะเพราะฉะนั้นสภาวะที่โดดเด่นขึ้นมาคือโทสะเวลามีโทสะมาเราก็แค่เห็นไม่ใช่ว่าอยากหายนะ โทสะมาเราก็เห็นโทสะมาเนี๋ยอยู่ชั่วคราวโทรศสะก็ไปเดี๋ยวก็มาอีกไปอีกเนี่ยตัวอื่นมาก็ดูแบบเดียวกันนี้แหละนะไม่ใช่ฝึกให้มันดีอะไรนักหนาหรอกคือที่หนูเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปหนูรับไม่ได้มันเลยทุกชั้นใช่ที่หลวงพ่อบอกโยมตะกี้เนี่ยว่าถ้าเรายรับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้เราอยากให้เป็นอย่างอื่นนะเราทุกข์แล้วหรือเราอยากให้สิ่งที่มีอยู่ตอนเนี้อยู่นานๆก็ทุกข์แล้วมีความอยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นแหละ อันนี้ยุติธรรมนะอยากเมกื่อไหร่กนะ็ทุกเมื่อนั้นเราก็อย า, ก, า, า, อา ก, กของเราเองเราก็ทนะุกของเราเองแหละนะอย่าไปโมโหมันขอบคุณค่ะ <c oughs> กลับนมัสการค่ะหลวงพ่อมลูกฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสองปีกว่าแล้วก็เริ่มปฏิบัติได้หนึ่งปีค่ะส่งกันบ้านไปแล้วสองครั้งครั้งสุดท้ายแปดเดือนที่แล้วค่ะ อ, อวันนี้ คือแรกๆเนี่ยที่ใช้วิหารธรรมเนี่ยเป็นฟังซีดีหลวงพ่อลูกอาจจะมีจิตที่โง่และล่วงล้ําไปบ้างลูกขอกลับขอ ข, อขอมาแต่ธรรมดานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพกซีดีไปไหนต่อไหนได้ต้องหาวิหารธรรมใหม่ก็ใช้กายเป็นจริงๆ น, นะซีดีเนี่ยเอาเป็นวิหารธรรมไม่ได้สิ่งที่เป็นวิหารธรรมเราน้องไปดูใน ส, สติปัฏฐาน4 ไม่มีซีดีวิปัสนาสูตรพิบัติไม่มีนะ <c oughs> คือแรกๆเนี่ยหนูไม่รู้สตินะคะหนูก็เปิดไว้ทั่วบ้านนะคะ เ, เดินไปตรงไหนก็คือเสียงนี้มาหนูต้องอ ม, มีสติอะค่ะเอออย่างนั้นใช้ได้ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็พยายามรู้ตัวไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ฟังซีดีนะถ้า <c oughs> หนู อ, อยากเป็นวิหารธรรมหนูใช้จิตเป็นวิหารธรรมฟังซีดีนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขฟังตรงนี้ขำรู้ว่าขำฟังตรงนี้สงสัยรู้ว่าสงสัย อันนี้เราใช้จิตเป็นวิหารธรรมซีดีเป็นภัดษะเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้น่ะได้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตอนภาวนาเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่บ้างลมลุกคุกคาน8เดือนที่ผ่านมาคือบางครั้งเนี่ยที่ทุกข์มากเลยคือเหมือนคนแรกๆที่พูดตะเกียค่ะคือจิตมารุมมาตุ้มอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะคือหมายความว่าเขาทะเลาะ ก, กันเองอจนน็อกเอาเราอะคะ่ะ เพราะเราไม่เป็นกลางนะคะใช่ใช่ <laughs> เราก็ไปปรุงกับเขาเรียบร้อยแล้วก็ทําไงได้เรามันขี้โมโห <laughs> <laughs> แล้วต้องปรับปรุงตรงไหนอะคะดูโมโหให้รู้ทันใจที่ไม่พอใจนะใจที่โกรธค่ะแล้วก็เสียบ่อยๆบางครั้งก็คือโมโหตัวเองว่าเอ๊ะทำไมฉันแย่ขนาดนี้คือให้ค่าแ้วโมโหตัวเองเนี่ยนั่งอยู่เนียค่ะแล้วก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คื อ, อเวลา เวลาโพสเอของการดูอะค่ะบางครั้งพอรู้ระลึกได้ต่อไปโพสเต่อไปคือคิดและสงสัยธรรมดา <c oughs> จิตจะคิดรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันจิตสงสัยรู้ทันแล้วอย่างนี้ก็เดินวิปัสสนาไม่ได้เลยทำไมยังไม่ได้ล่ะเห็นไหมจิตจะคิดก็คิดได้เองจิตสงสัยก็สงสัยได้เองนี่เห็นอนัตตานะะเห็นไหมสงสัยก็ไม่เที่ยงสงสัยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็หายไปนี่ก็ไม่เที่ยงค่ะ หนูมีคําถามสุดท้ายค่ะหลวงพ่ อ, เ, อ, อเวลาเข้าประชุมอะค่ะบางครั้งมีอยู่ช่วงหนึ่งคือฮาร์ดคอร์ ค, รค่ะฝึกเยอะเรียกสติ ก, กับประชุมอยู่เขาพูดพูดกันอยู่หนูก็หายไปเลยอะค่ะหเหมือนกับ เ, เราเรียกกับมาดูตัวเพราะเราใช้ตัวเป็นบ้านใช่ไหมคะพอกลับมาปุ๊บวิเราจะอะไรต่อเราลืมค่ะอันนี้คือสติขาดไหมคะสัญญาบันดับต่อไม่ได้แล้วไม่รู้มันต้องมีเทคนิคน่า เวลาประชุมหลวงพ่อํานานมากเลยเพระาะเมื่อก่อนอยู่สภาพม่านคงงานหลักคือประชุมเวลาควรมันพูดไร้สาระเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้เรารู้แล้วอีกสักหานาทีค่อยออกมาฟังก็ได้เนี<อ>่ยนานๆเราก็แยบออกมาฟังทีไปถึงไหนอ๋ออยู่ที่เก่าอย่างเงี้ยอ๋อค่ะเพราะหนูก็จะเป็นคะ่ะเวลาฝรั่งพูดเรื่องเดิมอะค่ะเรื่องพูดแล้วพูดอีกหนูก็ไม่ฟังแล้ว<อ>กลับมาดูแล้วเราก็หลบมาแล้วก็แวบออกไปฟังไประยะ คืออยอยู่นานใช่ไหมคะอย่นานเดี๋ยวไม่เป็นเรื่องอื่นแล้วเราไม่รู้ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อค่ะหนูมีอะไรอต้องปรุงไปดูชีโมโหไปค่ะศีลต้องดีนะค่ะขอบคุณค่ะกาบนมัสกาหลวงพ่อค่ะเวลาหนูเผลอไปอะค่ะจะไม่รู้ค่ะว่ามันเผลอไปตอนไหนแต่เวลามันกลับมาค่ะก็จะรู้ได้บ่อยขึ้นค่ะใช่ถ้าตอนเผลอแล้วเรารู้ว่าเผลอมันก็ไม่เผลอสิ ก็ถูกแล้วล่ะมันเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอแล้วมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเผลอสั้นลงสั้นลงใช้ได้หลวงพ่อค่ะหนูต้องปรับปรุงอะไรบ้างไหมคะไปทําให้สม่ําเสมอไปขอบกลับขอบขอบคุณหลวงพ่อค่ะอย่าทำทำหยุดหยุดก็แล้วกันกลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือเมื่อสองปีที่แล้วสองปีกว่าค่หนูเคยส่งกันบ้านบอกหลวงพ่อว่า เ, อาเรียนหลวงพ่อว่าหนูเคยเห็นความโกรธครั้งแรกอ ตอนที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วแล้วเราเราดีดมันออกไปอแล้วก็ดูจนกระทั่งมันมันจบลง ม, มันจบลงเร็วมากอืก็หลังจากนั้นก็ก็จะเห็นตอนท้ายอะค่ะหมายถึงว่าทุกครั้งที่เวลารู้สึกตัวคือหลังจากที่เราเผลอไปแล้วถูกแล้วบางทีรู้กายบางทีรู้จิตแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะที่อยู่ดีๆนั่งนั่งอยู่เฉยๆจิตมันนิ่งๆอะนะคะมันไม่ได้มีอารมณ์อะไรเราก็เห็นเหมือนเป็นความคิดผุดขึ้นมาอ แต่ว่ามันยังมันยังไม่ทันปรุงค่ะมันกําลังจะปรุงเราเห็นว่ามันกําลังจะปรุงแล้วพอเห็นปุ๊บมันก็ดับแล้วก็เลยตอนนั้นคือคือหนูก็มาดูใจตัวเองรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกอะไรมันเฉยเฉยมันไม่ได้ชอบหรือมันไม่ชอบค่ะแต่เห็นตอนต้นตอนที่มันกําลังจะปรุงแค่หนเดียวอะค่ะหลังจากนั้นเวลาที่เห็นไนะอยากเห็นแล้วไม่เห็นหรอกหลังจากนั้นเวลาเห็นก็จะเห็นเฉพาะตอนที่ที่มันเกิดแล้วอะค่ะ ที่จริงตอนนั้นทุกข่าวมันก็ปรุงมาอย่างนี้แหล ะ, ะแต่ว่าพอมันช้าดูรู้ได้ช้าและสัญญามเข้าไปแปลตอนนั้นเวลาปรุงขึ้นมาไม่รู้ว่าปรุงอะไรด้วยซ้ําไปผุดขึ้นมาเฉยเฉยสัญญามยังไม่ได้เข้าไปแปลขอบพระคุณค่ะท้อเพราะว่าเมื่อมีสติใจจะเต้นเต้นมีสติใจตื่นเต้น อ๋อใจจะแน่นแน่นใจต้านมั่นไม่ได้ตั้ามั่นจะคิดตลอดครับใจคิดตลอดนะเป็นปกติแต่พอคิดแล้วมีความสุขให้รู้ทันคิดแล้วมีความทุกขรู้ทันหรือเราเห็นว่าใจมันคิดได้เองขอคุณมากครับเขาบอกว่าเขาภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ <c oughs> ดีจัง แต่บอกว่าเขาอายุมากแล้วอืเดแต่ถ้าหากยังไม่ได้เป็นผ้าสรัทธาบันก็ต้องต้องภาเฉอนเกิดตายต้องทํำยังไงครับอ๋อเวลาตายนะต้องฝึกไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันตายฝึกดูร่างกายมันทํางานเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายกินข้าวอย่างงี้ เห็นไปเรื่อยเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเวลาจะตายก็เห็นร่างกายมันจะตายมันไม่ใช่เราตายหรอกใจเราเป็นแค่คนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ เ, เขาเขียนไว้ว่าใจจะสับสนบางครั้งคิดเยอะ mm hmm. บางครั้งเกิดโลภะโทสะโมหก mm hmm. บางบางครั้งสุขทุกข mm hmm. ์อย่าจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เขาควรดูอะไร กายเวทนาหรือจิตดูจิตไปสิถ้าเห็นสภาวะความรู้สึกต่างๆได้นะก็ดูจิตไปเลยก็จะเห็นในจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแล้วทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้นั่นดูอย่างนี้ซื่อเรื่อยไปขอคุณ ม, มากครับ<ม>ออพระอาจารย์ให้ไป มีวิหาธรรมครับแล้วก็ดูในชีวิตประจําวันมากขึ้นก็ทําให้ดูในชีวิตประจำวันได้บ่อยขึ้นแล้วก็ไม่เพ่งครับนธรรมชาติมากขึ้นครับเพ่งนั่นแหละเป็นศัตรูนะครับที่ผ่านมาที่ไม่ก้าวหน้าเพราะเพราะเพ่งครับพอปล่อยได้เริ่มเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนตลอดมันใช่ครับใช่ครับจะเห็นไตรลักษณ์ได้นะครับครับทำถูกแล้วล่ะครับแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งครับเดินจงกรมแล้วเป็นคืนที่ตั้งมั่นมากๆนะครับเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวไปมัน หลายวิคิดแล้วก็รู้แวบๆๆนะฮะก็เสร็จแล้วฟังพระอาจารย์เทศถึงว่าการทําสมถะด้วยการใช้ปานิพานเป็นอารมณ์นะครับพอไปน้อมตามแล้วผมรู้สึกว่ามันจิตที่มันเคยไหลๆมันหายไปครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนั้นอันนั้นจะไม่ใช่ตัวปานิพานนะอันนั้นจะเป็นอากาศาในใจยตนะเป็นช่องว่างคครรัับบเรายังไม่เห็นตัวนิพานเข้าใจแล้วครับครับผมนมาสการก็เป็นที่พักได้แต่อย่าติดอยู่นะ บ, บางคนนะสอนกันเลยว่าให้ทำจิตไม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีกิเลสอย่างนี้ไม่ได้เลยนะไม่เจริญปัญญามันเป็นสมถะราบเอาความว่างๆมาเป็นอารมณ์ครั บ, <นะ S 1> รบขอบคุณครับธรรมส ก, การครั บ, รบกราบธรรมสการคะ่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมาหกเดือนคะอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูจิตหนูมีพลังมากขึ้น แล้วก็ตั้งมั่นได้บ่อยขึ้นแต่ช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นความฟุ้งซ่านเยอะค่ะเกือบทุกวันจะเห็นจิตมันตื่นก่อนกายโอถูกค่ะไม่รู้ตื่นมาคิดมาฟุ้งอะไรเต็มไปหมดนะคะแต่ก็พอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะงุดหงิดไปลําคาญกับความกับความฟุ้งซ่านนะคะก็ไปรู้ลงปัจจุบันนะรู้ว่าหงุญหงิดไปภาวนานได้ดีแล้วล่ะมีอะไรที่หนูต้องเพิ่มเติมอีกไหมคะใจะเย็นๆนะ อย่าอยากได้ผลเร็วดูไปเรื่อยๆดูทั้งชีวิตเลยมีแต่เรื่องสนุกพอวนาเนี่ยได้รู้ได้เห็นสนุกดีเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงเห็นแต่เขาทำงานได้เองดูบ่อยๆถ้าหมดเวลานะที่เหลื อ, อไปถามพวกที่ยังอยู่เอาถามใครก็ถามมีคนให้ถามเยอะแยะ